คือว่าศาสนามันช่วงนี้มันมันมารุ่งเรืองเจริญมาเต็มที่เลยอยู่ๆอยู่ในเมืองไทยต่อไปมันมันเต็มเต็มมันก็จะลดลงเต็มที่เหมือนกันไม่ทราบว่าจะไปโกไปที่ไหนแต่ว่าไม่หมดหรอกตออไปหุ้นห้าพันพันพัสมะหมดจริงๆวันที่ พระพุทธา ส, สนาจะสิ้นสุดลงไปความปรองาอัลลีลีกธาตุของพระพุทธเจ้าจะไปรวมกันประเทศศรีลังกาท่านจะมา <c oughs> เทศโปรดสัตว์อยู่ในประเทศศรีลังกาเจ็ดวันเจ็ดคืนช่วงที่ท่านเทศโปรดเอาได้ไม่ราบว่าตั้งงไปขั้นเรื่อมใสบ่หหรือขั้น ได้สงเบป็นพระอรหันต์มาดิตอนนี้เัาสันไม่ไม่ได้พานนาไปเทศนาปวดข้างนั้นได้ได้จได้สีอสงไขสีอสงไขสองล้านสามแสนหกเ็ดพันโอทนับเป็นกุโลดที่พระพุทธเจ้าแสดงคำโปรดสัต์ คำไหว้พระบรมสารีร <Pop ify this expand> ิกธาตุพระพระลักษบิงหัวกับพระล้าชอุณาเหตุเสด็จที่เมืองอนุราชสิงห์หุ่นพระเขี้ยวแก้วขัวเบื้องบนสิติจุตตาพระึิงสาสวรรค์พรเขี้ยวแก้วหัวเบิ้องล่างนั่นสถิตจุตินี่ก็ที่สี่หลังการบึ้งบึ้งหัวที่รียกบึงใส่พระลักษณ์บึ้งพระลักษณสอง พระเกี่ยวเ้ยวสี่ดีกวยังสวาดตามสภาพเดิมพระอุเหิยุนจะทนั่นนี่ติดอยู่นี่มันจะมันจะเป็นเนื้อพระอุณหตุมันจะเป็นมันเป็นกระดูกทั้งสิองกระพดจีเจ้ากระดกที่ไม่ยุ่ไม่แจอไรมันมีคำาววาอยู่ด้วยไหวพรลมธาไปได้อยู่เพชรบูรณ์อยู่บ้านขี้หน้าอาจารย์กมบูรณ์สัตปิ มันเป็นหนันนนงสือโบราณเท่าเท่าของนี่ยสมัยรามันเป็นตัวทำคนโบลาณเขาเขียนใบตั้นใจอ่านดูถ้ากันไม่เรียมเทียบเรียงแล้วก็จะพักกร่องจำวดไว้พระบรมธาตุสิ้นตรนจากบุกาสาขาพระเจ้าจะขอโยควรวนมันทาปนมนิวหัดขาขินเนื้อเสียงต่างกระชทูป เ, เสียงเจวเจตประชัน เจ้าโกสุ่มสุ่มมากๆพรธมชาตินั้นชดช่วงโอกิาสเสียมสำหรับด้วยเมือองค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดนานาบรยานผู้เป็นสามกษัตรย์ยามสรรพยุบรมคูเจ้าเสด็จเข้าสู่พระวิีพานพระองค์ทรงปฏิสันพระบรมสารีการว่ายสพระบรมธาตุน้อยใหญ่ตวงได้16บหกนันทองส่วนพระลักขวนทั้งสองพระเขี้ยวแก้วสีกับพระสีอุณหิทธิหนงนับรวมกันได้ครบเป็นเจ็ดองนี่เลยังคงตามสภาพเดิมมิลักลั่น ด้วยว่าเพลจะสังหารก็หาม่ได้แต่ฝ้าถีน้อยใหญ่นั้นฟันถูกเพลิงไม่สังหารถั่วและหยัดตรงยังคงแต่พระปรมสาศรีนิฆาสรสามเสถานมีประมาณใหญ่น่อยฟันกลางต่างกันเป็นสาขนาดพระปรมาธาตุอย่างใหญ่นั้นมีประมาณสม่าอเลตหัวหักตวงจากใดห่ทนานทรงพระวจสังหานประ ม, มาณแน่นเหมือนหนึ่งว่าพันทองอมูไลพระปรมาธาตุขนาดกลางนั้นใต้มีประมาณเทบอลเลตเข้าสรหักตวงจากใดห่าทนาน ทรงพวันสันสานประมาณเหมือนพันแหววแก่ผลิตอันเลื่อนลอยส่วนพ่อโรมสารีนี่กราตาขนาดน้อยมีประมาณทระบาลีพันประกาศดวงตัดไรหกขนานั้นทรงพวอนสันสันเหมือนฝันสีดอกที่ขนาดุลสีพ่อโรมสารีนี่กระฐาทิ้งไหลนี้มีหมู่มนุษย์แเทวานิกรอมนุษย์คมต่างพิรวมพาตมาอังเซนเสเ็จไปปทศิสฐานรักษาไว้พระบรมธาตุองค์ใหญ่คือพระราบโขนไส้สถิตอยู่สั้นคม พระาษวรเบื้องัวกับพานราดตุณาเหตุเสด็จที่สุดเสด็จูเมืองอนุราสิห์นอพระเขี้ยวแก้วขวเบื้องบนเสดิจอยู่ตาวัชิงสาสวรค์พาเขี้ยวแก้วขวาเบื้องล่างนั้นสด็จอยู่ปอกเจวรังกาสิงหนอพรเขี้ยวแก้วไส้เบื้องบนเสด็จอยูเมืองคันธารวิสัยพระเขี้ยวแก้ว้า้เบื้องล่างนั้นไส้ะสิจอยู่นาคที่พบสถานส่วนพระบรมศาลอีริกระทาท่านชื่นานพระดิฉันอยู่ในแส่วนพืยนภูภาพานนครทั้งแปด เมืองลาดสับุรีเมืองไั่สาลีสวัสดิ์เมืองกบินลพัฒมหานครเมืองอัลาปกบุรีลมในบ้านคล้ในเขตเมืองป่าไวและประเทศเมืองกุศินาลายพระเจสาโรมานาคาทันตาทั้งหลายเรียงรายประทีานอยู่ทุกที่ทั่วจักรวาลไวพรทัพบริการสวัติวอนทรพ่าสังทัพอุทิศในสมุทรไปและกองเสียมผ้ากองน้ำทำมังกรมาตุริรสุขสง สร้างมิถิลนาคนคนถลอกบาทเคืียงลาดประเทนบันสมรูกดันคลองสองพระบาทอาจจะท่องแจงสวดไปเอาอยุบวัดซอยเช น, น่านี่เขาพิมพ์เลยนพาพวกแยกแจงพก็สวดตอนนึงอนุปูดพักยาัีเขาพาักานั่งภาวนาทุกคืนคืนละสองชั่วโมงท้ามีเวลาบางวันจะเวลาน้อยแต่ชั่วโม ง, งยอย่างนึ่ก็ขควรทีร่จะลง ไม่หมดแต่ว่าไม่จะไม่ทราบไม่จะเล่จังไรก็เหมือนแหละใช่ปะมันมันขอกวาอย่างนี้กัน네ี้เหมือนกันแหะพวกเราจะได้ถี่เนื้อตรงที่ตัวนักสิรีบทำเพราะไม่จะหนีไปได้ไปไม่พ้นยังไปยุ่งกวนอยู่กับป่าโลกอันนี้มันด้วยธรรมชาติไม่เป็นอย่างนี้แหละเ่้นปัว่าโลกแปลว่าวุ่นวาย โลกไปว่าขัดท้องโลกไปว่าไฟไมันเขาอยู่กลางกลางวันกลางคืนยินเดินนั่งนอนกลางกลางวันเป็นเปลวกลางคืนเป็นควันแต่ว่าไม่รู้อาการที่ไม่รู้เนี่ยคัดขังสเห็นะนำว่าตัวอวิชชานี่คิดเฉไม่ไอยากอย่างเดียวไม่ต้ออยากอยากรวยอย่างเดียวคิดว่าความความรวยมันจะมีความสุขมันไม่ใช่ มันความความสุขจริงๆมันไม่อยู่กับกับทรัพย์กับสมบัติที่พระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิรัตอย่างดียวครอบครองได้หมดโลกยัง่พอยังไม่พอยังไ่หยุดยังยังไม่สุขขึ้นยางอาสมบัติของพอินเงพระอินทร์ยกให้เองพรพอินยกให้แล้วมันยังมันยังไม่สุขเหมือนเดิมเพราะนั้นท่านจึงย้อนกลับมามาค้นหาภายใน อันความสียวก็แท้จริงมันอยู่ตรงที่มันไม่มีอะไรเลยนะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่อยู่ที่ดวงกิตรงใจเพราพวกเราอยู่ตรงที่มั น, นวา่างเพราะฉะนั้นท่านจะมาสอนให้พวกเรามาปฏิบัติทำยที่ใจมันว่างทําิ้มใจให้มันหยุดนิ่งนั่นถ้ามีท่นนานั้นก่อปวนตลอดตัวกิเลสสุชาติบาคีเลสุสิไรกี่เลสกายอุปทานความยิดมั่นยึ้ถืออยู่ในโลกอยูในโลกและสงสารยิ้ความอยากเอง อยากร่ําอยากรวยอยากสวยอยากงามคิดเอาคิดว่าได้มีทรัพย์ฟองทรัพวกเขาีคิดว่ า, วามาันจะสูงไม่มีทางเห็นบอกบักสักสินมันมีเยเยอะๆมันสูงไหมถ้ามันสูงมันไม่ได้โดดเอาไปหนีเมืองนอกไปดูเมืองนอกกับไปข้อควรเมืองนอกอกีกเดี๋ยวนี้กลังจะหันหน้าคำบควนเมืองไทยอย่างเดียเมื่อวานมั น, น, มนก็พูดอยู่อวันมาประชุมกันว่าไอ้นี่ก็ รัฐบาลผู้บริหารอยู่อยู่ในปัจจุบันมันล่าหลังเขามันไม่ทันเขาเลอรวยรวยอยู่แต่มันไม่สงบมันก่อปวนกันมันฆ่ากันลบ ก, กันดูประเทศเดียวกันแล้วก็ศาสตาณเดียวกันจะไม่แยกเป็นสองนิกายนี่นแหนละอิสลามสองนิกาย สองอย่างที้นี่ก็ต่างฝ่ายต่างลบ ก, กันทีนี้ถ้าฆ่าฟันคู่อะไรได้ก็ถือว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าไม่สอนแบบนั้นใครก็ตามสัตว์ก็ตามบุคคลก็ตามนักโทษก็ตามคนดีก็ตามไปทำเพ ร, ราะร่างกายเขาให้ใ ห, ให้เสียชีวิตบาปทั้งนั้นน่นเป็นไปไม่สมผิดกันเลยพระพุทธเจ้าตรงอย่างเดียว มิจเจเยนอย่างเดียวมิจเจสุกอย่างเดียวผู้ชมนั่นทีนี่กาความรวยความเป็นเศรษฐีเนี่ยนธรรมะของครูอันนัะนจะคุณอุบลีคุณหลงธมอาจาร์วัดบรมมีวัดทำพอๆยินดีเนีเของมีอยู่มีเท่าไรเราใส่ไปเท่านั้นนะครับไปกินไปตามท้านะของลมมีมากมีน้อย ไม่อหาไปก็ไม่ให้กัทกทบคนหรือบุคคลคนอื่นจะให้บุคคลอื่นสัตว์อืนเขาเดือดร้อนถ้ามันเย็นได้มาโกเย็นที่ถ้ามันได้มาเป็นของบริสุทธิ์ถ้ามันไม้บริสุทธิ์เข้ามาในมือก็หาทางหาทางนีแล้วเหมือนกับในหลวงแล้วคนเก็บเก็บไปเป็นผู้ที่เก็บเป็นกราบไหว้บูชาท่านเก็บไว้ช ส, สูงกราบไหว้คนที่เอาไปเอาไปนั่งทับเอาไปนอนทับท่านไม่อยู่เลยท่านหาทางนี้ไม่ถ่วง เพราะเดนแต่กวนลูกปู่ก็ไม่ได้คิดเรื่งองเงินบุญบารมีของในหลวงคำที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านครองหมดเป็นแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดหมดประเทศที่นี่ที่แยกให้กรรมศีลแต่ว่ากลัวไม่จะทะเลาะ ก, กันฆ่ากันตีกันจะขนาดไม่จะฆ่ากันดูจก็ได้ให้สิทธิ์แบ่งกันเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกของใครของหล่อนอธิกลรมเป็นของพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นด so, no ินเขาบองว่ามันเป็นเก้วสารพัดนึกคิดจะได้อะอยากได้อะไรก็ได้ถ้ามีอยู่ในมือจะไปลอกลกก็ได้ถ้าให้ในหลวงพาไปไปได้ถ้าไม่มีในหลวงจะไปไม่ได้ไม่เขาจะเคร่องเคร่งบินเขาทำเองวันาั้ะนั้นลุงปู่มาวิจัยมาพิจารณาดูแล้วแม้กระทั่งร่างกายของพวกเราก็เป็นสมบับิของพระเจ้าแผ่นดิ โดนมาตลอดมากทําไมจึงร่างกายแล้วเป็นเป็นเป็นสมบัติของของพระพเจ้าแผ่นดินก็พราพวกะข้าวมันก็เกิดอยู่ในพื้นเผ่นดินพ่อเราก็เกิดอยู่ในที่นี่แม่เราก็เกิดที่นี่อยู่ในร่างกายของเราก็มึนมาจากเสไหนต้นตอนมันก็มาจากข้าวมาจากอาหารการบนพวกได้มาจากบิดามันได้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุาไฟธาตุลมเมือ่อเมื่อผ่านเช่นมันจะพูดที่เรารับประทานอาหาร อยู่ในข้ า, มาเมล็ดเดียวนั่นละ่ะมันจะมีความกันอยู่ทั้งสี่ธาตุมีทั้งธาตุา ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเวลาเราเคี่ยวคืนเข้าไปดินก็ไปลยยาดินน้ากับ ป, ปลยยาน้ไฟกัไปายยาไฟลมกับปลยยาลมสันติขึ้นก็สิบต่อเนี่ยซระยะสั ว, สวขนาดขนาเท่านั้นน่ะเยียวยาไว้ใช่เมือ่อก่อนจะแตกทำไมไม่ตืงนแตกพอธรรมชาติมันเป็นโค้งแตกเนื้อแรงมันก็มันมัจะมีอายุต่งอย่างมากกว่ารอยกว่าปีก็แตกแล้ว เมื่อแต่ว่าถ้าไม่พอไปที่ไหนสินะถ้าไม่พอทํำไมก่อนอยู่ประเทศอินเดียเขาไป็ทิ้งไม้ในป่าอืให้พวกอีแลงอีกาจัดการให้พวกนวัน<ม>พวกอะไรจัดการเะก่อนไม่ฟังเด็ผมเหมือนกับทุกวันดินระลายไปโซดินน้ํากับปัสสาวะไฟกับปัสสาวะลมกับปัลมไปตามท่าของเขาทหารส่วนที่เหลือกับพดวงจิตใจดว<ม>งจิตดวงใจไมนเป็นน้ำทาตายไม่เป็นแตกลราไม่เป็น ถ้าที่นี่ถ้าจิตใจมันจะงจิตใจอยู่กับร่างกายอยู่เรื่องอย่างนี้มันย้อนมานเกิดอีกเพราะทนั้นจะให้มาปฏิบัติทําให้มันเบื่อทำให้เขาเห็นทำให้เห็นทุกข์มากๆเวลาสุกขเกิดขึ้นยอย่าไปปิดไว้ปล่อยให้มันทุกข์มากๆเมื่อประสุกขมากมันจะได้เบื่อโอ้เมื่อมาทุกข์มากแล้วพอจิตเข้าไปดูแล้วสรุปแล้วก้อนสกปรกอ่ะก้อนร่างกายเป็นก้อนทุกข์ก้อนทุกข์ก้อนเจ็บก้อนปวดถ้าไม่มีใคร นี the all, presence, ่ถ้จิตใจมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยกายไม่มีเวทนาไม่มีทุกข์ไม่มีกายไม่มีสัญญาเขามีกายไม่มีสังขารเขมีกายไม่มีวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณก็หมายถึงความรับทราบทางจางหูเสียบุคลิกลงใจใจนั่นมันก็ไม่มีอะไรสรุปเรียทั้งหลวงบททั้งหลวงพระกันหลงสรุปแล้วกความหลงมันหลงอะไรสรุปสรุปควหลงเรามาเรียมันหลงตนเมื่อมาเห็นตนแล้วก็เลยประยิบเอาเอาข้อนสักคนละกายหนึ่เป็นตนหนะ ในแต่คกษรกรกายอไรไม่มีอะไรบ้างก็จะมีดินมีน้ามีไฟรวมสุดท้ายก็เลยเอาดินเอาน้าเอาไฟเอาลนไปที่พึ่งเปที่อาศัยเพราะฉนั้นในว่าลูกปูเนี่ว่าพระพุทธเจ้าสอนแพระอิเจ้าทัสอนให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศเป็นสมุที่เลสไม่ให้เอามันบังคับนะฮะไม่ให้เอาการกินสละนานคัตสามีนอนสละนานคัตสามี มันถ้เอากินกับนอนเิ็สารานาขึ้เพึ่นโน้นกบไปเอาสามีสารานักสามีภรรยาสารากักสามีลูกสารานักสามีหลานสารานักสามีไปกันได้ละบางทีมีแต่เพมมแต่เพื่ไปพ่มข้างนอกนาเข้ากับไปไปไปเอาโรงพยาบาลโรงพยาบไปไหว้โรงพยาบาลโรงพยาบาลสารานักสามีหมอสาังนักสามียาสารานักสามีไปกันอย่างนั้น มันห ja er huh huh um ่างไกลออกไปจากความจริงความจริงคือดวงจิตดวงใจท้นแย็นหลับมันอยู่ในที่ดวงจิตดวงใจเนี่ยพระพุทนเจ้าให้มาศึกษาอบรมให้บรรลุในภายในดวงจิตดวงใจเพราะใครมาหาหนทางทำานึ่จะทิ้งกายได้ถ้าทิ้งกายนี้ได้ก็จบแล้วไม่มีปัญหาอะไรสิมีแต่มีแต่ดวงจิตล้วนๆมีแต่ดวงจิตล้วนๆนี่นี่หรือดวงธรรมนี่แหละดวงศีลอยู่ที่นี่ของดีพิเศษอยู่กับเรามีสุกรูกชุกนามเย็นแต่มันมองข้ามคนแดงเย็นไปหาของดีอยู่ข้างนอก แล้วก็ไปหาความสุขีนข้างนอกหบางทีเราความสุขอยู่ภายนอกนอกเอาไปจัดรวงเกียจใจมั น, นจะของปลอมทั้งนั้นของหลอกของหลวมของปลอมของไม่จริงเลยแล้วกระดาษคมันไม่ทีหลังอย่างยินฉันเลยโอ้โหใจว่าพระพุทธเจ้าพระอริเจ้าที่ท่านผ่านไปแต่ท่านเมตตาสงสารพวกพู้หลอนมากที่สุดเลยไม่หลงนอกน่ากับพระพุทธเจ้ามาสัง่งมาสอน มันก็ไม่ยอมรับอีกขี้เล็กก็ไม่รับบางทีพวกเราเกิดความพราะพระพุทธเจ้าออมแรกก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ตัดไม่ลวกเจ้าพูดอย่เมื่อคืนอยู่ดนพ่อสูตรพูดแก่สามล้านห้าแสนแปดหมืนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าแล้วพูดแล้วทําไมพวกเราไมาต่ตกข้างอยู่นี่มันไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผูมีเหมือนจะหูแอบเข้าเขานี่ตาหีเหมือนกับตาไม่ใสไม่รับ เขาประกาศอยู่แล้วพระพุทธเจ้าอุบาติขึ้นแล้วพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกอะระหังชมาัตุปโธพระกัลยาภิวาทธงพระกัลวันังกับพิพาเพื่อข้อสอบก็แซวแซวไม่ได้ยินเลยไม่ใช่มาข้อพูดอะไรไม่สนใจสุดท้ายมันก็เลยล่าหลังเขานถ้าถ้าจะล่าไม่ต่อพันธดข้างหน้าก็ไม่เหก็ไม่ไม่ทิจบเหมือนกันเลยเป็นอะรล่าเหมือนกัน่ะที่นี่นรกก็เคยไปสวรรค์ก็เคยไป ต่ไม่จำไม่ได้ถ้าไม่จำ ไ, ไม่ได้จะเข็ดหลับต้องไปไ ป, ไปตรงนรกท่านอาจารย์หลวงท่านตายไปสามชั่วโมงท่านไปเห็นสัตว์ในรกโอ้แต่าะน่าสลดสังเวชพวกที่ทำบาปทำกรรมไว้ตัวเป็นตัวคนหัวเป็นหัวไก่โศกไก่ตัวเป็นตัวคนหัวเป็นหัวหัวหัวควยเขาวัาวเขาควยแต่ละบางบางลาหอกดาบเขแทงโอ้ไปเสียนร้องควนข้าง ไม่ใช่ธรรมดาพระเจ้น่ถ้าไปเห็นเย็นเห็นความจริงเลยนะไม่จะเขตจับมันมี้อยไม่ผิดไม่ให้เห็นนี่มันก็เลยว่าไม่เห็นไม่ทุกข์อะไรเกินมากในโลกอยากอยากอยากกินก็ได้กินอยากหลับก็ดยบอยากนอนก็เดยนอนใช่ไหมล่ะมนก็เลยเสียงกิเลสมันก็มาเสียงของคนเจ้าเสียงคำของคนเจ้ามันยอมรับ